50 languages. การเที่ยวเมืองตลาดเปิดทุกวันอาทิตย์ใช่ไหมคะ भानुवारदंडु मारुकट्टेलि अंगडीगलु त े र งานแสดงสินค้าเปิดทุกวันจันใช่ไหมคะโซมาวารดันดูวุฒิส व ัสดรศดิรุตเตเดียนิทรศการเปิดทุกวันอังคารใช่ไหมคะมังกรวารดันดูวัสดุประดิษชนะเตรศดิรุตเตเดียสวนสัตว์เปิดทุกวันพุธใช่ไหมคะมรุ迦ลยบุ ধ าวารดันดูเตรศดิรุตเตเดีย พิพิธภัณฑ์เปิดทุกวันพฤหัสบดีใช่ไหมคะวัตถุสังเรห์ลยะกุลวารดันดูเตเรดิรุตตะเดยหอศิลป์เปิดทุกวันศุกร์ใช่ไหมคะชุกร์วารดันดูจิตรชาเลเทเรดิรุตตะเดยสามารถถ่ายรูปได้ไหมคะอิลลี่ฉายาจิตร์ตะเกย์บหุเด ต้องจ่ายค่าผ่านประตูไหมคะพระเวชชุลกาปรดเบเกค่าผ่านประตูราคาเท่าไหร่คะพระเวชชุลกาเยสตุมีส่วนรถสำหรับบูคณะไหมคะกุมปิน ล, ลิบันดเดรดิยายติดรยุตเตเยมีส่วนรถสำหรับเด็กไหมคะ ชิคก้มักกลิกีริยา yatī ดุรยุตตเดียมีสวนรถสำหรับนักศึกษาไหมคะวทยาลัยี่กลิรยา y ดเรยุ ต, ตเดียนั่นตึกอะไรคะดูยาวกว่ต ด, ดะตึกนั้นสร้างมากี่ปีแล้วคะอยสตูฮลกต ใครเป็นคนสร้างตึกนี้คะยี่กัตติเดวันโน่กัตติดวรูยาดิฉันสนใจในสถาปัตยกรรมนันเกะวัสดุศิลปะลี่อาศักดิอดิฉันสนใจในศิลปกรรมนันเกะคัลเลย์ลี่อาศักดิีอิดดิฉันสนใจในจิตกรรม ನನಗ นเองเชิดพระคัลเลียลลีอา